ยมอาตมาคือพระโพธิยานเทระซึ่งเป็นเจ้าอาวาดวัดน้องประพงได้ข่าวว่าโยมทุกคนภาพแล้วเพระาะโลกเยาลาแล้วก็มีหมออุทัย ซึ่งเป็นโลกชายของใหญ่เป็นผู้มีศรัทธาเรื่มใสในพุทธศาสนาและเมื่อมีอะไรอะไรเกิดขึ้นก็พยายามไปศึกษาหรือปรึกษาอาตมาที่วัดน้องประพง์ใหม่ ก็นับว่าเป็นพ่อมีความรู้สึกสนใจในธรรมะเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ลังนั้นท่านขึ้นไปวัดวันหนึ่งเพื่อไปกราบธรรมสการอัตมาก็เล่าถึงเรื่องโยมไม่สบายจึงขอร้อง ให้อะมาฝากธรรมะมากับเทปม่วนนี้เพื่อจะฉนองคุณของคุณแม่เมื่อเวลาเก็บป่วยให้นีกำลังใจมากขึ้นดลังนั้นเบื้องต้นต่อ น, นี้ไปขอคุณยายจงตั้งใจสมทานศีล ห้าประการเป็นวาระที่สุดท้ายแห่งชีวิตและวก็ตั้งใจให้สงุนะครับต่อไปเพื่อจะสมทานสิ้นต่อไปเอาตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นักบูตจักเขวะโตรัหาโตสัมมาสัมพุทธเจ้านักบูตจักเขวะโตรัหาโตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธังเจรนังขจามิธรรมังเจรนังขจามิ สังังสังขจามิทุติยมิพุทธังสนังขจามิทุติยมิธัมมังสนังขจามิทุติยมิสังังสนังขจามิ Tak tiampi puthang serenang kacami, tak tiampi thamang serenang kacami, tak tiampi sanghang serenang kacami, serena kapmanang nititang. ทานาติปตาวีรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิอัทินาธานาวีรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ กามิสุมิจาราวรมนีติขปทังสมาทิยามิมุจสาวาดาวิรมณีสิขปาทังสมาธิยามิสุรามีไรยะมัจจปมาตถานา นิรมนีสิกขาปัทังสมาทิยานิอิมานิปัญจสิกขาปัานิสีเรนะสุขติยันติสีเรนะภคสัมปทานสเรนนิพุติยันติตัตมะสรงสุย นัโมตัจฉะพักวัตุอารักขะตสัมมาสัมปุทตะนัโมตัจฉะพักวัตอารตสัมมาสัมปุทตะนัโมตัจฉะพักวัตอารักขะตุสัมมาสัมปุทตะสีเรสุขติยันติ สีเ่เด่นะโภคัสัมปท า, านสี่เด่นะนิพพินญาติตัตมาสีรังวิสุทธายสี่ปฏิให้โยมใาญ่จงตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นโอวาท ขององค์สมเด็กพระสมมาสัมพุทธเจ้าโดยคารกต่อไปให้โยมตั้งใจว่าในเวลานี้ปัจจุบันนี้ซึ่งกัตมาให้ธรรมะในเวลานี้ให้โยมตั้งใจเสมือนว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้น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 ไม่มีอะไรจะฝากโยมซึ่งเป็นของที่จะเป็นแก่นสานนอกจากธรรมะคําสอนของพระกุฏิเจ้าเท่านั้นฉะนั้นเป็นของฝากที่เป็นชิ้นสุดท้ายดังนั้นขอโยมจงรับ ให้โยมทางความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นซึ่งเป็นที่ผู้มีบุญวาสนาบารมีมากมก็ทนต่อความทุกข์ลภาพไปได้อายุถึงวัยนี้พระผู้มีประภาของเราท่านบองกกลมโปร่งอายุสังขาร คำที่ว่าปรงนั้นก็คือวางลงอย่าไปหอบไว้อย่าไปให้่ยวันไว้อย่าไปแบกมันไว้สังขารคือร่างกายนี้ให้โยมยอมรับเสียงว่าสังขารร่างกายนี้ทีงแม่ว่ามันจะเป็นยังไงยังไงก็ตามมันเธอเราก็เลยอาศัยสกุลร่างกายนี้มาตั้ง กำเนิดเกิดขึ้นมาก็พอแล้วจนทั้งเท่าชฉะ แ, แก่ชราบาัดนี้เหมือนเปรียบประหนึ่งว่าไอ้เครื่องช้ไม่สอยเราต่างๆที่อยู่ในบ้านซึ่งเราเก็บกรรมไม่นมนานมาแล้วเช่นถ้วยโถโอชานบ้านช่องของเรานี้ เมื่อแรกมันก็สดใสใหม่สะอาดดีเมื่อเราใช้มันมาตลอดกาลและนานบัตรีสิ่งทั้งหลายนั้นมันก็สุดไปจมไปบางวัตถุ ก, ก็แตกไปบ้างหายไปบ้างชิ้นที่มันเหลืออยู่นี้ก็แปรไปเปลี่ยนไปไม่คงที่มันก็เป็นอย่างนั้น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 พระพุทธองค์แตนตัดว่าสังขารนี้ไม่ใช่ตัวของเรา้รือไม่ใช่ของของเราทั้งในตัวเรานี้ก็ดีกายเรานี้ก็ดีนอกกายเรานี้ก็ดีมันก็เปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นให้โยมพีดิศพีเจเนดูให้มันชัดเจน อันนี้แหละท้งก้อนที่เรานั่งอยู่นี้ที่เรานอน อ, นอยู่นี้กำลังมันสุดโซมอยู่นี้นี่คือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนอย่างนั้นท่านจริงเลยมองพิจรารณาดูว่ายอมรับมันเลย ยอมรับมันเถอะยอมรับมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะยอมรับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรก็ตามทีเธอพระพุทธองค์ทาสอนว่าเมื่อเราถูกค่มขังในตารางก็ดีก็ให้ถูกคุมขังเฉพาะกายอวัยวะอันนี้ แต่ใจอย่าให้ถูกคุ้มครั้งอันนี้กว่ามันการแผ่นนั้นเมื่อร่างกายมันสุดโสมไปตามวัยโยมก็ยอมรับเชียให้มันสุดไปให้มันโสมไปเฉพาะร่างกายเท่านั้นเนีเรื่องจิตใจของเรานั้นเป็นคนละอย่างกับร่างกายก็ทำจิตใจให้มีพลังให้มีกำลัง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 ก็ตายอันนี้เป็นความจริงหรือเกินซึ่งคุณยายเลยพบอยู่ในวันนี้ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วก็งองดูด้วยปัญญาพวกเราหเห็นเลยทีให้เห็นเนี่ยัึงแม่ว่าไฟมันจะไหม้บ้านเราก็ตามถึงแม่ว่าน้ำมันจะท่วมบ้านเราก็ตาม ถึงแม้ว่าไฟอะไรต่างๆมันจะมาเป็นตรายต่อบ้านต่อเรือนเราก็ตามก็ให้มันเป็นเฉพาะบ้านเฉพาะเรือนอย่าให้มันไม่ถ้าไฟไหม้บ้านอย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ำมันท่วมบ้านก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมงแต่บ้านให้มันไหม้ตแต่บ้าน สิ่งที่เป็นของนอกกายของเรานั้นส่วนจิตใจเรานั้นให้เรามีการปล่อยวางเพราะในเวนลา น, นี้ก็สมควรแล้วสมควรที่จะปล่อยวางแล้วที่คุณโยมเกิดมานี้ก็นานแล้วใช่ไหมตาก็ดูรูปสีแสตงต่างๆตลอดหมดแล้วอืม อะไรยังว่าทุกสิ่งทุกส่วนหูก็เลยฟังเสียงอะไรทุกๆอย่างอีมากแล้วอะไรทุกอย่างก็มามากๆถึงนั้นแหละอีมันก็เท่านั้นแหละใจรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยมันก็เท่านั้นที่ไม่อร่อยไม่อร่อยมันก็เท่านั้นแหละตาจะดูรูปสวยๆมันก็เท่านั้นแหละรูปที่ไม่สวยมันก็เท่านั้นแหละ หูได้ฟังเสียงที่มันไพเราะสนสุกโสดจับอกจับใจมันก็เท่านั้นเลยใจฟังเสียงที่ไม่ไพลรอกไม่จับอกจับใจมันก็เท่านั้นแหละอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตอนที่บอกว่าทั้งคนร่ํารวยทางคนทุกจนทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางเด็กตลอดทั้งเจตจารทั้งหมดด้วย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 เป็นของคุณยายนี้นี่ก็เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นจะเอาไปที่ไหนก็ไม่ได้ ล, ลูกหลานบุตรทาทั้งหลายทั้งปวงนั้นซึ่งเขาสมมุติว่าเป็นรูปเป็นหลานของคุณยายนั้นมันก็เรื่องสมมุติเท่านั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเราคนเดียวเป็นกันทางโลกถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็เป็นอย่างนี้พระละหันตัสาวกทั้งหลายทั้งปวงท่านก็เป็นอย่างนี้แต่ท่านแปลกกับพวกเราทั้งหลายแปลกโดยประการอย่างไรคือท่านยอมรับยอมรับว่าสกุลร่างกายสังขารนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมันอือจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นที่ไหนปีเจณาพิจารณาดูสกุลร่างกาย ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาหาบนศีรษะตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าอันนี้เรียกว่าส่วนอวัยวะร่างกายของเราดูสิว่ามันมีอะไรมั่งอะไรเป็นของสะอาดไหมอะไรเป็นของเป็นแก่นเป็นสารไหมนับวันมันชุดมาได้ด้วยมาอย่างนี้อีอันนี้เราพุต่เจ้าจะเห็นสงสารเมื่อ ของไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้อของที่ไม่ใช่เรามันก็เป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นยังไงนะอันนี้มันถูกแล้วีถ้าโยมมีความทุกข์ยอมกับชิดผิดเท่นั้นแหละีไปเห็นสิ่งผิดมันถูกอยู่โยอมเห็นผิดมันก็วางใจเท่านั้นเหมือนน้ําในแม่น้นําที่มันไหล ลงไปในทางที่ลุ่มมันก็ไหลไปตามตภาพอย่างนั้นอย่างเม่นม้ํำอุทยาเยนเ ม, ม่น้ํำมูเม่น้ำที่ไหนก็ตามเนีอยมันต้องมีความไหลวนไปทางใต้ทางนั้นแหละมันไม่ไหลขึ้นไปทางเหนือเนาะธรรมดามันเป็นอย่างนั้นสมมติว่าบุตรคนหนึ่งซึ่งไปยืนอยู่บนฝั่งของเม่นม้ํา นั่นก็ไปมองดูกระแสของนะ้ำมันก็ไหลเที่ยวไปทางใต้แต่โมรษคนนั้นมีความคิดผิดอยากจะให้น้ำมันมันไหลขึ้นไปทางทิศเหนืออยากไหลขึ้นไปเหนือนะ้ำอย่างนี้อีมันก็เป็นทุกข์โุรถคนนั้นจะไม่มีความสงบเลยทึ้งไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความสงบเพราะอะไรเพราะโุรุษคนนั้นคิดผิด คิทวนกระแสน้ําคิดอยากจะให้น้ําไหลขึ้นไปทางเหนือความเป็นจริงนั้นน้ําจะไหลขึ้นไปทางเหนือนั้นไม่ได้ไม่สมควรแล้วมันก็ต้องไหลไปตามกระแสของน้ําเป็นธรรมดาของมันเองนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นก็ไม่สบายใจทําไมถึงไม่สบายใจเพราะบุรุษนั้นคิดไม่ถูกพี่เจริญไม่ถูก ลำมดิไม่ถูกพี่จะาไม่ถูกพระละความเห็นผิดเป็นมิจฉาจิตทิสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเห็นว่านา้ำมันก็ต้องไหลไปตามกระแสของน้ำทางใต้จะให้ไหลไปทางเหนือมันไปไม่ได้ที่จะให้น้ำไหลไปทางเหนือนั้นมีความเห็นผิดมันก็กระทบกรบทา่งตะกิตตะพวงในใจอยู่อย่างนั้นจนกว่าว่าบรุษ คนนั้นจะมาพิจารณาคิดกลับเห็นแล้วว่าโอ้โหน้ำธรรมลามันมันก็ตรงไหลไปอย่างนั้นมันก็ตรงไหลไปทางใต้อย่างนี้เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นสัจธรรมอันหนึ่งซึ่งเราจะเอามาพิจารณาว่าเอออันนี้เป็นความจริงอย่างนั้นเมื่อหากว่าเห็นความจริงอย่างนั้นบุรุษคนนั้นก็ปล่อยบุรุษคนนั้นก็วางอวางนา้ํา ให้มันเที่ยวให้มันไหลไปตามกระแสของมันอย่างนั้นปัญหาที่ตะกิดตะขวางของโยมของบุรุษคนนั้นก็หายไปเมื่อปัญหาหายไปก็ไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องจะเป็นทุกข์อันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม่น้ำที่มันไหลไปทิศใต้ี่ก็เหมือนชีวิตหลังกายของยายอยู่อย่างเนี้ย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 ว่ามันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเราก็ปล่อยมันเสียเราก็วางมันเสียเอาความรู้สึกนี่เองเป็นต้นเป็นที่พึ้นให้ภาวนาว่าพุโทธโธพุทโธพุทุธถึงแม้ว่าจะเหน็ดจะเหนื่ยก็ยิงที่ให้โยรรมทําจิตให้อยู่กับลม ห, หายใจอือหายใจออกยาวๆสูดลมเข้ามายาวๆ หายใจไปยาวๆแต่ก่าตั้งจิตขึ้นใหม่แล้วก็กำนด์ลงปุโถโธปุโท โ, โดยปกติถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเทลายก็ยิ่งกำหนดจิตกำหนดอารมณ์ของเราให้ละเอียดเข้าไปให้ละเอียดกระไปเท่านั้นมทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อจะสต่อสู้กับเบธันนาเมื่อกําลังมันเหน็ดมันเหนื่อย ให้โยมหยุดคิดทั้งหลายให้โยมหยุดคิดอะไรทั้งปวงซะให้เอาจิตมารวมอยู่ที่จิตและเอาจิตกระโลงรู้จักหลงภาวนาพุทโธอุทโธปล่อยวางค้างนอกให้หมดอย่าไปเกาะการะลูกอย่าไปเกาะการะลานอย่าไปก่อกัสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งเรื่งให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตลงที่อันเดียว รวมลมให้กำหนดลมเอาจิตนั้นแหละไปรวมอยู่ที่ลมให้คือให้รู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องให้รอู้อะไรมากมายกำหนดให้จิตมันน้อยไปน้อยไปละเอียดไปละเอียดไปนี่เดี๋ดยไปจนกว่ามีความรู้สึกไม่น้อยแต่มีความตื่นอยู่ในใจมากที่สุดเป็นทน อันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆลงยลงผลาไปคอไป่อยๆหลงผลาบไปค่อยๆหลงผลาไปค้นที่สุดเราเราก็รูรมเหมือนกับเราญาตมาเยี่ยมบ้านเราเราจะตามสรงญาตขึ้นรถลงเรือเราก็ตามไปถึงท่าหรือตามไปถึงนบเราก็สงญาตเราขึ้นบนนบเราก็สงญาตเราลงเรือ เขาปฏิทึก เ, เรือเครื่องรถไปดิ้วเท่า น, นั้นแหละเราก็มองไปเธอหมดไปมองไปญาติเราไปแล้วเรากลับบ้านแล้วเรารู้ลมว่ามันกันฉันนั้นเมื่อลมมันหยาบเราก็รู้จักเมื่อลมมันละอียดเราก็รู้จักเมื่อมันละเอียดไปเรื่อยๆไปเราก็มองไปมองไปตามไ ป, มไปน้อยไปน้ยไปทาําจิตให้มันตื่นขึ้น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 ถ้าเป็นเช่นนั้นเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเราพบความรู้แล้วเราพบความสว่างแล้วไม่ส่งจิตไปทางอื่นในมันรวมอยู่ที่นั่นนั้นเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านไปนิพพานไปแล้วนั่นก็เป็นพระพุทธโรคเป็นรูปกายมีรูป เอ้พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั่นก็คือความรู้อันสว่างอันสวัยอันเบิกอันบาน อ, อย่างนี้พบเห็นนี้แล้วก็มีอันเดียวเท่นี้ให้มารวมลงเท่านี้ท่านั้นเนี่ยไปให้วางให้วางทั้งหมดเดีย๋ยวทีความรู้อันเดียวแต่อย่างให้หลงนะอย่าให้ลืม ไมได้จะมีนมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นอืไม่ต้องเอาอะไรเอาความรู้อันเดียวหรืรู้สึกความรู้อันเดียวเท่านั้นมไม่ห่วงข้างหน้าไม่ห่วงข้างหนึง่งหยุดอยู่กับที่ผลที่สุดจนกนว่าข้างหน้าก็ไม่ไปเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่ ไม่มีที่ยึดไม่มีที่ไม้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัวเพราะว่าไม่มีต้นไม่มีเราและไม่มีของของเราหมดนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เราหมดอย่างนี้ให้เราคว้าเอาอะไรไปไให้เราคว้าเอาอะไรไปให้นั่รู้อย่างนี้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางบตรนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวซะแล้วให้เข้าถึงธรรมะอย่างนั้น อันนี้เป็นทางที่เราจะพ้นจากวาตสงขสารพยายามปล่อยวางให้เข้าใจให้ตั้งอกตั้งใจให้พินิษพิจรารณาอย่าไปห่วงคนโน้นอย่าไปห่วงคนนี้ให้ลูกก็ดีหลานก็ดีญาติก็ดีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างนั้นอย่าไปห่วงเลยที่เขายังเป็นอยู่เขาก็เป็นอยู่อนาคตต่อไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างคุณยายที่เป็นอยู่อย่างนี้ ไม่มีใครจะเหลืออยู่ในโลกนี่จะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นชาภาวะเหตุความเป็นจริงที่พระพุทธเจา้าตรัส้อนนี่ฉะนั้นของที่ไม่มีความจริงอย่างนี้เอ๋พระพุทธเจ้าต่าที่ไหวางถ้าวางมันจเห็นความจริงถ้าไม่วางมันก็ไม่เห็นความจริ ง, ม, ง, ม, ม, รงมันเป็นอยู่อย่างนี้ใครทั้งหมดในสกุลโลกนี่ก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นยายโยม มีคนห่วงใยมีคนกอเกาะเกียวทั้งยงมันจะคิดก็ให้มันคิดแต่ว่าคิดรห้กับปัญญาให้คิดด้วยปัญญาอย่าคิดด้วยความโง่เนื่องถึงโลกกก็นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยความโง่เนื่องถึงหลานก็นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยความโง่อะไรอะไทั้งหมดแต่เราคิดก็ได้เรานึกว่า ม, มันก็ได้าย แต่เรคิดโวยปัญญาเรารู้โวยปัญญารู้โดยปัญญาก็ต้องปล่อยรู้โวยปัญญาก็ต้วางถ้ารู้โดยปัญญาคิดโวยปัญญามันจะไม่มีทุกข์มันจะมีความเบิกบานมีความสำรานมีความสงบมีความระ ง, งับเป็นอนันเดียวจิตใจเรามารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้องอือาศัยอยู่ในปัจจุบันในคราวนี้ก็คือหลม ลมหายใจบัดนี้เป็นภาระของคนใยญ่คนเดียวไม่เป็นภาระของคนอื่นภาระของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นครับทุนละหน้าที่ของเราก็เป็นทุละหน้าที่ของเราธุละหน้าที่ของเราในเวลานี้ก็คยายาม วางความรู้สึกไว้ที่คิดของเราไม่ให้กังวลกัวายเป็ น, านาธุระหนาทีของเราเราลงจากาาธุระหนาทีของเราในเวลานี้เราเป็นอะไรอยู่ในเวลานี้เราอยู่อย่างไรคิดเราเป็นอย่างไรคิดเราเนนกังวลกับอะไรไหมคิดเราเป็นห่วงใ ย, ยไหม ให้ตรวจตารูจิตของเราในเวลาที่เราป่วยนี่อย่าไปเอาธุระของโลกมาทำอย่าไปเอาธุระของหลานมาทำอย่าเอาไปเอาไปเอาธุระของคนอื่นมาทำอย่าเอาธุระของอะไรอะไรทั้งปวงมาทำเท่านั้นแหละไม่ใช่นาทีของเราในเวลานี้เราควรจะปล่อยแล้วเราควรจะวางแล้ว อ, อ, อาการที่ควรจะปล่อยจะวางนี้ จะทําความให้สงบนี่เป so ็นธุระของเราเป็นหน้า so ที่ของเราที่เราจะต้องทําในปัจจุบันเมื่อเวลาเราป่วยอย่างเดียดนี้ให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี่คือธุระหน้าที Poor ่ของเราเรื so ่องอะไรก็ปล่อยเขาสิเรื่องลูกก็ปล่อยเขาจะเรื่องเสียงก็ปล่อยเขาสิเรื่องกลิ rejo rejo ่นก็ปล่อยเขาจะเรื่องรถก็ปล่อยเขาจะเรื Meanwhile ่องอะไรอะไรก็ปล่อยเขาเนีสยเราจะทําธุระหน้าที่ของเรา มันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก่อนเลือกในใจอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระนาทีของฉันเออความวิภาคษวิจาร์อะไรก็ตามว่าเราจะกลัวกลัวในชีวิตของเรากลัวในทีก่กลัวอันตรายถ้าเราจะตายอย่างนี้เป็นต้นมีคิดถึงคนโน้นแต่คิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตอย่างนั้นเราก็บอกในใจเราว่า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 เดียวคนนั่นจะเป็นยังไงเดียวคนนี้จะเป็นยังไงเมือ่อเราตายไปนี่ใครจะดูแลเขาใครจะเป็นยังไงอะไรไห่อย่างเนี้ยเป็นโลกทางนั้นแหละมันเป็นโลกทั้งนั้นเนี่ยพี่แม่บอกเราคิดขึ้นมาแล้วก็กลัวจะตายกลัวจะ แ, แก่กลัวจะเก็บกลัวกลัวทั้งหลายมันเป็นโลกเหล่านั้นแหะที่โลกเนียมันเป็นโลกอืมโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นอืมันเป็นโลกถ้ามันนี้ขึ้นมาในใจแหละก็เลยจะเออโลกนี้คืออารมณ์ อารมณ์นี่มันมาบาังจิดไม่เห็นจิจของตนอย่างนั้นอะไรอะไรทุกอย่างนั่นแหละถ้ามันเกิดขึ้นมาให้ยอมคิดว่า น, นี่ไม่ใช่ธุระของฉันนี่เป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขงเป็นเรื่องอนัตตาเราจะคิดว่าอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะอยู่ไปนานๆอย่างนี้ก็ให้เกิดขึ้น เราอยากจะตายให่เดี๋ยวนี้ให้เร็วๆเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางนะยายนะ่ะเป็นทุกข์เอเพราะว่าสังขาห น, นี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปตกแตง่งอไอ้นี่ก็ไม่ได้หรอกนะี่ไรเป็นตกแต่งมันไม่ได้มันปิดมันอยู่อย่างนั้นตกแต่งได้ก่อนนิดๆ น, น, น้อยๆเนีย่ยว่าอืออื อ, อเป็นเพื่มาตกแต่งร่างกายของเราให้มันสะสวยให้มันสะอาดที่ลูกเด็กๆเขาดูที่มันทาปากมันทา ส่งเขาจ้ะทำเรียกไปมันยาวถ้าทําอะไรมันสะสวยแค่นั้นแหละโยบเมื่อแกมาแรียกรวมในกระป๋องเดียวกันเต่านั้นยังไม่มีอะไรนะตกแต่งแค่นั้นแหละตกแต่งจริงๆงไม่ได้แนละ้วก็เป็นอย่างนั้นเดิมสังขารนั้นจะตกแต่งได้ก็เรื่องจิตใจของเราบ้านที่ยายอยู่นี่ยายก็สร้างขึ้นมาสองตายายสร้างขึ้นมาก็ดีอยู่สั่งบ้านเมื่อคนคนอื่นก็เหมือนกัน ตึกร้างบ่านช่องทั้งหลายก็สร้างขึ้นมาได้อย่างว่านคุณหมออุทัยอาตมาก็เคยไปขึ้นบ้านใหม่ให้อยู่ที่นั่นสร้างขึ้นสะสวยใหญ่โตก็ได้นะสร้างสร้างบ้านข้างนอกใครๆก็สร้างกันได้งั้งนั้นแหละแต่ว่าพระพพระองค์ทสัยียกว่ามันมันบานข้างนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงมันที่บ้านโดยสมมติ บ้านอยู่นี่โลกมันก็เป็นไปตามโลกนั่นแหละอบางคนก็ลืมนะในบ้านใหญ่บ้านโตอสนุกสุขสํำราญดื่มบ้านจริงๆของเราอ่ะบ้านที่จริงของเราอยู่ที่ไหนอบ้านที่จริงของเราคือมีความรู้สึกที่มันสงบคือความสงบนั่นแหละเป็นบ้านของเราจริงๆบ้านที่เราอยู่นี่หรือบ้านที่ไหนอะไรก็ตามดีเถอะนะ บ้านก็สวยแต่อยู่ว่าไม่เคยสมบุรอีเดี๋ยวก็เพราะอันนั้นเดี๋ยวเพราะอันนี้เดียวห้องอันั้นเดี๋ยวห้องอันนี้อยู่อย่างเนี้เรียกว่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านทางในมันเป็นบ้านทางนอกอีกประเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเราก็เลิกมันเถอนเนีะบ้านนี้แล้วไม่ได้อยู่หล้วมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราบ้านทางในก็คือสกุลร่างกายของเรานี่เองก็ยังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีก อันนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่นติดอยู่กับตัวของเราที่เราเข้าใจว่าตัวเราหรือของเรานี้อันนี้ก็ไม่ใช่อีกอันนี้ก็เป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราอย่างแท้จริงยังนั่นคนยังจะชอบจะสร้างบ้านทางนอกไม่สร้างบ้านทางในบ้านที่อยู่จริงๆในมันสงบจริงๆไม่ค่อยจะเห็นกันไม่ค่อยจะสร้างกันไปสร้างกันทางนอกก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละ อย่างคุณยายแนะ้่ยลองคิดดูที่ในเวลานี้มันเป็นยังไงนะคิดมาดูแต่วันเราเกิดมา เ, เรื่อยมาวัดนี้คือเราเดินหนีจากเออความจะเดินอยู่ในโลกนี้เดินไปนี่เนีเราเดินไปดี่ยนี่ยเราเดินไปนี่ น, นี่ยเดินมาเดินมาจนจนแก่จนเก็บขนาดนี้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 ถ้าโยมมาคิดว่าเออ ies, เป็ด ก, ด ก, ก, ก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นแหละไก่ก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นแหละใจเปียกเหมือนไก่มันก็เป็นไปไม่ได้ใจเปียเหมือนเป็ดมันก็เป็นไปไม่ได้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราคิดเห่นนีแล้วเราจะมีพละเราจะมีกำลังเพราะว่าสกุลร่างกายนี้อยากให้มันยืนนานท้าวอนไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ได้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ นี่ทันทีเลยสังขารอนิจจาวัตสังขาราอุปทวายะธรมิโนอุปจิตวานิจันติเตชะมูปาสมุสุโคสังขารคือร่างกายกจิตใจนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนมีแล้วกว็าหาไม่เกิดแล้วกว็หลับไปแต่มนุษย์เราทางไหนอยากให้สังขา น, นี่มันเทีย่ย อันนี้ก็คือความคิดของคนง่อดูสิวะลมหายใจเข้าออกของเรานีม้มันก็ออกแล้วมันก็เข้ามาเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเป็นธรรมลาของลมมันก็ต้องเป็ียนอยู่อย่างนั้นต้องกลับไปกลับมาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเลื่อนสังขารก็อยู่ในการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ใ้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองคิดดูดีก่า าหาย ใ, ใจออกอย่างเดียวนะไม่ให้มันเข้ามาได้ไหมสบายไห ม, มสูดลงเข้ามาแล้วไม่เห็นมันออกดีไหมอยากจะให้มันเที่ยงอย่างนี้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ออกไปแล้วก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นเรื่องธรรมดาด้วยคืนเกิดแล้วก็แก่แก่เลิกเจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมดาแท้ท มันสังกลมเนะี่เข้ามาแล้วมาให้ออกไม่ได้ออกไปแล้วไม่เข้าไม่ได้ถ้ามีการออกแล้วก็เข้าเข้าให้ออกยังมีชีวิตทำชีวิตให้มนุษย์เดิสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่เท่าทุกวันนี้เพราะสังขารมันตามตามหน้าที่ของมันอย่างนี้เนี่ยมันจริงอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของอะไจริงมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นนเนี่ันนั้นมันจริงแล้วเรามองเห็นอย่างนั้นในความเกิดแก่เจียจตายเมื่อเราเกิดมาแล้วนะยอม ก็คือเราตายแล้วนั่นเองนะไอ้ความเกิดกับความตายมันเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยอันหนึ่งเป็นต้นอันหนึ่งเป็นปลายเหมือนต้นไม้ของเรานั้นเนี่ยเมื่อมีโคลนมันก็มีปลายเมื่อมีปลายมันก็มีโคลนไม่มีโคลนตายก็ไม่มีที่มีปลายก็ต้องมีโคลนมีแต่ปลายโคลนไม่มีก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ลึกขัเหมือนกันนะมนุษย์เราทั้งหลาย เมื่อจะตายไปเนโศกเศร้าวุ่นวายร้องไห้เจ็บใจสารพัดอย่างหลงไปดิโยมันหลงนะ่ะอที่คงจะตายไปไร้องไห้ทพไรัยลําพันธ์จังจะไหนจะ่ลยมาไม่เคยใครพิจรารณาให้ชัดแจ้งนะให้ความเป็นจริงอาจจะมาเห็นว่าเราขอโอกาสเลยนะวะ่าถ้าจะร้องไห้กับคนตายนลยร้องไห้กับคนที่เกิดมาดีกว่า คนที่เกิดขึ้นมานนะ่นหอกว่าเออแดงมันกลับกันเนี่ยถ้าคนเกิดมาเราโยมเราทำไรหัวเลาะดีอกดีใจกันทิ้งวานไอความเป็นจริงเกิดนั่นแหละคือตายตายนั่นแหละก็คือเกิดต้นนั่นก็คือปลายปลายก็คือต้นเราไม่รู้จักถึงเวลาชวนจะตายหรือตายก็ร้องให้กันนี่คือคนโง่ ถ้าจะร้องไห้อย่างนั้นก็โง่ามาแต่ต้นก็ยังจะดีนะึงมาเกิดมาร้องไห้กันทีเถอะดูให็นะไอ้เกิดนั้นแหลตัวตายนะั่นถ้าไม่เกิดนึกว่ามีตา ย, ยนะไรนะไอ้ตัวเกิดก็คือตัวตายตัวเกิดเราไม่เห็นว่าตัวตายจ้ะไอ้ตัวตายก็คือตัวเกิดตัวเกิดก็คือตัวตายอย่างนั้นยอมไม่ต้องนึกอะไรให้มันวุ่นวายมากมายว่ามันเป็นอย่างนั้นจ้ะ นี่คือหน้าที่ของเราแล้วบัดนี้ใครช่วยไม่ได้ลูกช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่ความรู้สึกของโยมให้ถูกต้องเอย่างนี้ไม่ให้วันไว้ไปมาปล่อยมันทิ้งมันเสี่เราปล่อยมันมทิ้งมันเออถ้าเราไม่ทิ้งมัน่อยมันมันก็จะเนียอยู่แล้วเลยไหมเอาไว้เฉพาะร่างกายของเราเนี่ย ออืมันพยายามจะหนีอยู่แล้วนะ่ะเห็นหมรูไไ้ไม่ง่ายล่ะไอ้เกิดมาเป็นหนุ่มเป็นน้อยผมมึงก็ลําปี้ใช่ไหมบาดนี้มันงอมีแต่ว่ามันหนีแล้วนะนี้เรียกว่ามันห น, ะ น, นีนะนตาเรามันสว่างสวัยดีเป็นเด็กเป็นหนุ่มมนะบาดนี้มันฝ่าฟานใะช่ไมนี่เดียวว่ามันหนีแล้วนี่เขาทนไม่ไหวแล้วก็จะต้องหนีแนะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาจะแล้ว อะไรทุกสิ่งทุกส่วนก็จะหนีแล้วฟันของเราเด็กๆมันแน่นหนาทารอนไยบัดนี้มันโยกมันครอนอย่างนี้เท่า น, นั้นเลยแค่ใส่ฟันใหม่แล้วก็ได้อย่างนี้นี่ของใหม่อย่างนี้ใส่ของเก่าของเก่าเขาเปนะ็นเขาดีแล้วสิ่งทั้งพวงเรื่องวิญญาณร่างกายเราเนี่ยคือคน ย, ยัยคนทุกทกคนอย่างเนี้เขาพยายามจะหนีไปเนี่ยหรือในร่างกายนี่เขาพยายามจะหนี หอ้โจะงูกลื่นกายทั้งหมดก็พยายามแต่หนีทําไมต้องจะหนีเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเป็นสังขันอยู่ไม่ได้อยู่ชั่วคราวเดินออกไปไม่ว่าในตัวของเราละทั้งหมดอาบายบาลนี่เนี่ยผงก็ดีขนก็ดีและบ ก, กดีฟันก็ดีนังก็ดีทั้งหมดแหละเดี๋ยวนี้ก็เตรียร์หนีเลยนะหนีเขาเคลียร์หนีไปแล้วพยายามหนีก็หนีไปบ้างแล้วเพียงไม่หมด เมือ่อแต่คนฟอกบ้านอยู่เล็กน้อยฟอกบ้านอยู่จะไม่ค่อยดีล่ะหรือตาเนแสงก็ไม่ค่อยดีไอ้ฟันนี่ก็ไม่ค่อยจะดีหงนี่ก็ไม่ค่อยจะดีร่างกายนี่ก็ไม่ค่อยจะดีทำไมก็เพราะเขาหนีไปบางแล้วทยอยกันไปนี่นี่นี่ทยอยกันไปนี่นี่ขยายเขาเจอที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรง เป็นที่พักโจกราวเท่านั้นแลต่อไปอย่านั้นโยมไม่คุ้นห่วงใยอะไรมากไม่มาอยู่ในโลกไหวพินาโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่อะไรทั้งหลายเขาที่นั่งจะหนีกันแล้วยอมคิดดูดีดูไปดูตามสภาพร่างกายดิว่ามันมีอะไรเหมือนเก่าไหมร่างกายเหมือนเก่าไหมหนังเหมือนเก่าไหมผมเหมือนเก่าไหมตาเหมือนเก่าไหมหูเหมือนเก่าไหมฟันเหมือนไหม ไม่เหมือนเยอะก็ไปไหนกันหมดแล้วเนอะนี่ทำไมาฉลาดเขาเป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่แล้วอืตามวาระของเขาแล้วเขาก็ตองตองไปทําไมเขาจะต้องไปก็ธุระเขาเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่อย่างเน่ยหนาทาวร อ, อะไร อยู่แล้วก็วุ่นวุ่นไมไ่ไม่สุขสุขทุกๆไม่สงบละครับถ้าเป็นคนก็คนเดินไปยังไม่ถึงบ้านยังอยู่ระวังทางเนี้ยก็จะกลับเนี้ยก็จะไปเนี้ยก็จะกลับเนี้ยคนจะไปเนี้ยก็จะอยู่คนนี้นที่อยู่ยังเราเอนเดินออกจากบ้านเนี่ยเปรี่ยบว่าเราเดินไปกรุงเทพเราเดินไปที่ไหนก็ช่ไปบ้านนอกที่ไหนก็ตามเนะเราเดินไปเดินไปเมื่อไปถึงบ้านเราเมื่ อ, อไรเป็นต้นก็ไม่น่าจะอยู่ นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายนั่งรถไปก็ยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะไม่ถึงบ้านเราแบบนี้ถ้มเราถึงบ้านเราแล้วก็สบายเพราะเข้าใจว่านี่เป็นบ้านเราอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันในโลกนี้มันเรื่องไม่สงบทั้งนั้นแหละถึงแม้มันจะหลังด้วยมันก็ไม่สงบมันจนมันก็ไม่สงบมันโตก็ไม่สงบให้เป็นเด็กมันก็ไม่สงบ มีความรู้น้อยมันก็ไม่สงบมีความรู้มากมันก็ไม่สงบเรื่องมันไม่สงบมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนั้นคนที่มีน้อยมันก็มีทุกคนที่มีมากก็มีทุกเป็นเด็กมันก็มีทุกผู้ใหญ่มันก็เป็นทุกแก่แล้วมันก็ทุกทุกอย่างคนแก่ทุกอย่างเด็กทุกอย่างคนรวยทุกอย่างคนจนมันจะทุกอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอรวยภาทุกส่วนนี้นั่นเปงนไวยาทย่อยกันไปนี่ดิ มีแต่นั่งทาหุ่ยายพิจต่นาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าอานิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงหรือทุกข์ขังมันเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรอนาตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอืไอ้ร่างที่เราโยมอาศัยอยู่แถ่นี้ร่างกายเนี่ยนั่งอยู่นี่นอนอยน่เก็บป่วยอยู่นี่ และกระทั่งจิตใจที่รูปมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเก็บมันป่วยเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งสองอย่างนี้ท่านนี่กว่าธรรมแต่จริงที่มันมีไม่มีรูปมันมีความรู้สึกนีกคิดแ่านั้นเรียกว่ามันกว่าเป็นนามมันก็เป็นนามธรรมอือแต่จริงที่มันเป็นรูปเดี่ยมันเก็บมันปวดมันขยายไปมาอยู่อย่างเนี้ยอันนี้มันกว่าเป็นรูปกว่าธรรม สิ่งที่เป็นรูปก็เป็นธรรมเชิงที่เป็นนามก็เป็นธรรมแค่นั้นเราต้องอยู่กันด้วยธรรมะคือธรรมอยู่ในธรรมมันเป็นธรรมอ่ะตัวของเราจริงๆที่ไหนมันก็ไม่มีมันเป็นธรรมะถ้าตุธรรมมันก็เกิดึนแหนมก็หลับไปเกิดแหนมก็หลับไปสภาพุว่าธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นมีความเกิดมีความดับแล้วก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะเดียวนี้มันเป็นอย่อยางนี้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 ดังนั้นให้เข้าใจใชว่าที่นี่ทุกคนแม้ลอดปลวกดีมดในดสัตวตัวนิดนิดก็าตามเทีแล่วนะเนะขาจวนพยายามจะหนีกันนะนะไม่มีใครอยู่สักอย่างหไองที่มีชีวิตยอยู่ในพอควรเนี่ยก็ว่าตายกันทั้งนั้นนะทั้งคนจนทั้งคนนั่งรวยทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งเศรษฐีชั้นไอ้ที่นี่ชีวิตยอยู่ในรอบนี้มันแปรไปเปลี่ยนไปอย่างนี้ นี่ก็นั่นอะคุณยายรู้สึกว่าโลกนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วนะว่าน่าเบื่อนายอืมน่าเบื่อมันอะไรมันเป็นมัเป็นตัวของตัวเลยนะเบื่อนายนิพพิธาความเบมื่อนายเมื่อนายไม่ใช่ว่างทีรังเกียจนะไม่ใช่ามรังเกียจนะไม่ใช่รังเกลียดนะ เมื่อนายขี้ใจมันสัางใจเห็นความเป็นจริงไม่มีทางอะไรจะแก้ไขแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะนี่ปล่อยวางมันปล่อยโดยความไม่ดีใจปล่อยว่าโดยความไม่เสียใจปล่อยไปตามสังขาแรแต่สังขารมันเป็นอย่างนั้นวยปัญญาของเราเห็ยนี่เลยว่าอนิจจาบัตตสังฆาสัางขาร ท, ทั้งหลายในที่ไม่ที่อย่างนี้คว่มันเปลี่ยนไป แรงมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นเองว่าใ น, นที่ตัวอนิจจังพูดยังไหนตัวอนิจจังนั่นแหละตัวพระพุทธเจ้าละถ้าเราพอไปเห็นอย่างจริงจังอะอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหะคือตัวประพุทเจ้าถ้าเราเห็นอนิจจังแล้วอนิจจังของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นชัดเข้าไปก็มันก็เที่ยงเที่ยงอย่างไรก็เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่แปลเป็นอย่างอืนมันมันเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้น มันพิจารณาอย่างนั้นแต่ว่ามันในทีย่ยังคือมันแปลไปแปลามาเปลี่ยนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นเท่าทะเลแก่สลานี่เรียกว่ามันในที่แล่ความที่มันเป็นอยู่บบยอย่างนั้นน่ะทุกคนทุกระบบการเรียกว่ามันเทียนไม่แปลเป็นอย่างอื่นมันแปลเราะมันอยู่อย่างนั้นมันในที่ถ้าทุณยาเห็นอย่างนี้ก็ในใจจสบายไม่ว่าเราคนเดียวเราทุกๆคนเป็นอย่างนี้ อยง่งนั้นมาคิดแค่นี้ก็น่าเบื่อเกิดนิพพิธากลัวเบื่อนายหายความกำหนัดแล้วไถในโลกในกางในโลกามิตรทั้งหลายนี้ทีมีมากกว่าที่ไม่มากมีน้อยกว่าที่ไม่น้อยทุกคนดูไปทีไหมวิญนะาณเกิดเกิดขึ้นมาเห็นไหมเห็นคนจนไหมเห็นคนรวยไหมเห็นคนอายุสั้นไหมเห็นคนอายุยืนไหมก็เห็นเท่านั้นแหละนี่นะ อย่างนั้นตามความจริงเหมือนนั้นที่สําคัญนั้นพระพุทธเจ้าหเห็นว่าให้สร้างบ้านเจ้าของสร้างบ้านสร้างบ้านบางวิธีจะมาบรรยายธรรมะให้ฟังอย่างวนี้สร้างบ้านใหได้ปล่อยใหได้วางปล่อยแล้วก็วางมอนใหมันถึงควาสมสงบในความสงบนั้นก็เลยไม่เดินไม่ทำหน้าไม่ปล่ามาทางหลังไม่หยุดอยู่ดเดี๋ยว ม, มันสงบสงบจากการเดินไป ังบจากการถอยกับสงบจากการหยุดอยู่เนี่ยไอความสุขนี่มันไม่ใช่ที่อยู่เราไอ้ความทุกข์มันไม่ใช่ที่อยู่ของเราอืทุกข์มันก็เสื่อมสุ ข, ขมันก็เสื่อมทั้งนั้นเนี่ยบัดนี้พระบร ม, มโคดินเห็นว่าสำคาญทั้งหลายทั้ ง, งัวนี้มันเป็นของไม่ที่ น, นี่นี่ฉนนทันทิมช้อนให้พวกเราทั้งหลายถึงเวลาสุดท้าย อย่างนี้ทุกคนกันปล่อยปล่อยวางเพราะว่ามันเอาไปไม่ได้นี่ก็ระวังไว้ก่อนมันจะมันจะไม่ดีกว่าแหละมันแบกแล้วรู้สึกว่ามันหนักมันรู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ไม่แบกมันจะถ้าก็ทิ้งมันก่อนเยอมันจะไม่ดีหรืองั้นอะยังไม่วนแบกมันทำไมยังไปอะไรอะไรมันทำไมแล้วก็ปล่อยวางนะ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 คนกินรักษาพ่อแม่ก็ดีมืนการก็มีคุ ณ, ณธรรมมีความอดทนอย่าลังเรียดอันนี้ฉนองคุณพ่อแม่ของเราเวลานี้เท่านั้นเนี่อืมวง่ต้นเกิดมาเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่อาศัยพ่อใส่แม่เราตุกติ้โตมาแบบนี้อืได้มาอยู่เด่างนี้นั่งรอมันอยู่เดียวนี้ เพราะพ่อคุณพอคแม่เนี่ยงลงมาสารทั้ดอย่างแตพ่อแม่เนี่ยดูมาสารพัดอย่างแล้วมีบุญคุณเนื้อที่สุดเดกินเนะมีบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายทุกๆคนมาให้เข้าใจว่าบั น, นี้พ่อแม่เราเป็นเด็กพ่อแม่เราเป็นลูกเราแล้วก่อนเราเป็นลูกของพ่อแม่บัดนี้พ่อแม่เป็นลูกเราแล้วเพราะอะไรนี แก่ไปแก่ไปแก่จนแก่เลยเป็นเด็กจําก็ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ยินท้งหลายทั้งอย่างบางทีก็พูดถูกถูกผิดผิดเหมือนเด็กนันเองอืมอมเนเด็กกั่นเองอืมเหมือนเด็กนั่นเองนั่นลูกหลานทั้งหลายนั้นไม่ให้คานใจมากให้ปล่อยฮหปล่อยให้คนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อย อคนที่มันสบายเราอย่าไปถืออะไรปล่อยสัะให้ตามใจทุกอย่างนะที่นี่เราปล่อยแล้วเหมือนเด็กๆนะเด็กๆนะที่เราเกิดนมนะอะไรมีฟังพ่อแม่ปล่อยทุกอย่างนะปล่อยให้เด็กมันสบายมันให้เด็มันร้องไห้มันห้เด็กขัดใจอะไรนะี้พ่อแม่ของเราแบบนี้เหมือนกันสั้ญญามันมีประลาบแต่แล้วคนแก่ บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปเรียกคนหนึ่งลูกหลานเรียกหล้านคนนึงไปถูกคนหนึ่งจะเอาเรียกเอา้บอกเอาขันมาก็ได้จานมาเรี๋ยวเอาแก้วมาก็ได้อะไรมี ม, มามันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นนะอันนี้ก็เอให้ยกให้พิจารณาในที่คนป่วยนะี่ก็เป็นให้นึกถึงคนที่พยาบาลมีคุณธรรมให้อดอดทนต่อผู้ค้าเวทนา เมตนาสาธะพักอย่างซึ่มาเกิดมาให้ปดกล้างในทางเพียนในใจของเร า, าให้มันวุ่นวาย่าให้มีความลำวากยากจนเกินไปแก่ผู้กริที่บัอุปทาของเราผู้อุปทาก็มีคนจะทำยาลงเกลียดนำโมกนำรายขุจระปัสสวะอะไรต้องพยายามเท่าที่เราจะทำของเราได้รูกทุกคนช่วยกันดูในเวลานี้ วันนี้เรามีพรหตุรรย์ น, นี้ยเราอาศัยมาในเกิดมานี่ เ, เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกอย่างอันนีนน้อันนี้คือบุญคุณของท่านที่เรายื่เรามาให้ความรู้มาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพสมบัติเราทุงเราจะมีอะไรทุกอย่างมีลูกมีหลา น, ม, ลานมีมากมีช่องทีดีๆอะไรี่แล้วมีอาชีพี่ดีดถึงลูกหลานนะ ในสูงเสียลูกหลานให้เล่าให้เรียนตลอดตัวเรามีก็เพราะอะไรนี่คือคนของพ่อแม่ที่ถ่ายทอดรับมรดกตกทอดกันมาอย่างนี้ที่เป็นวงศ์ตระกูลอย่างนี้อย่างนั้นแล้วพวกตรองค์กั น, กนยึดสอนม่ากัตัญญูกัตเวทีกัตัญญูกตัตเวทีกัตัญญูก็กตเวทีนี่เป็นธรรมที่ขนองจึงกันดิกันนี่ กตเวทีก็ททำความดีมาแล้วใครทำความดีก็เรามาใครสงเคราะห์เรามาเขาเลียกเรามาใครเรียกเรามานี่เป็นคนกตเวทีที่เราให้ความเป็นอยู่ของเราหนึง่งคนนั้นแหละจะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นยากนี่เลยจะยากก็ดีแล้ะเป็นคนกตเวทีการดันโก็คือตัวเราถูกท่านมีกตเวที เ น, น, นที่อุปถัมภะถานขนุบบังลงละมาแล้วเราคิดเห็นบุญคุณของท่านไม่ว่ากัรโยท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลำบากท่านมีความขัดข้องโประการใดเราต้องเสียสะละรับพาละธุระอันนั้นช่วยท่านเรากตันยูกระเตวทีเป็นธรรมที่ขงํงบุญโลกอยู่ ให้วงตะโกนของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตะโกนของเราเรียบร้อยให้วงตะโกนของเรามั่นคงเป็นอยู่อย่างนี้ อ, อันนี้แหละว่าในอาตมาเลยฝากเท็จฝากธรรมะคำสอนมาฝากย่ายในเวลาเจ็บป่วยนี้โดยความสำนึกน้อมมา อาศัยคนหมออุทยัยซึ่งเป็นลูกลูของยมนั้นแหละถึงผู้บรตวเวทีเป็นผู้มีกตัญญูบรตวเวททีอย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นอาตมาก็ไม่มีจะฝากวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาอยู่ที่บ้านมันเยอะแยะแล้วนะเอาไปเอามาบัน น, นมาเนะ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 ต่อสู้ที่กับิิงทางไลน์เหล่านี้